เองนี้ก็อาหารออก็ดื่นเองนิ้วนอนก็นอนเองเราตะถนะพุจะทำแทนพระท่านไม่ได้ธ ร, รรมบรมศาสนาที่นี้ตอนนี้ไปก็เหนื่อยแล้วบรรณาพี่น้องชาวพุทธทุกต้นหน้าที่มาในที่นี้ดืวอเด็กคนพรพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบว ร, บรธรรมบศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกวันไม่มีประมาณนั่นเถิดเอาละทีด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งกด็ดีพวกเราทั้งหลายทั้งทั้งใจโลกาตาฝ่ายต่างก็ให้เอาโหสิกรรมแก่ ก, กันและกันอยู่ทุกวันไม่มีประมาณสุดท้ายพวกเราทั้งหลายทุกทันหน้าด้วยเดชคุณพระพุทธธรรมประสงค์อันทรงพระคุณข้าหาประมาณไม่ได้จง บันดานดานให้พวกเราอย่าได้มีเวรนิภัยเจอกันและกันทุกต้นหน้าทั่วทั้งไตโรโลกาต้องประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรนะพุทธศาสนาของวัชมาสพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกต้นหน้าทั่วทั้งไตโรโลกาอยู่ทุกมื่อเทินอะหังตรงทเทหิริเมตัง ม, มิตาบางอวังโมตุเอวังโห ต, หตุโยจะภูเบรมัชิตัว วัดชาโสรินอรมวัติสมังโลกังาเติวัจฉีมาญาติผ้าปังกตังมงุสเรติโสมังโลกังบุภาเจติอมุวัจฉณีมาอภิวาทนะสยิสานิจังวาปายโนจัตตารธรมาวันติายโนสุขังพระองค์ เราขึ้างอนนอกคุณศาสนาชหมดไม่พูดเองก็จริงเองเราพิจารณาในความทั่งน้าพ่อไอ้น้องของบึงบางต่างไอ้หลวงสู่รสมุมหาสมุทระเลโดยไม่รู้ตัวฉันใ ด, ดคํำสอนใดก็ไร้หลวงสู่คําสอนพอกคุณศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดเองก็จริงองีเทียบในทางสูงฉันคิดจะมีกีรติ ล, ล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นทิศเหนือก็ับไม่ได้โอ้ห้งมันเขารอวะ เขียนทิศเป็นเมืองขึ้นของเราที่มาทางเราเขียนทิศก็ไม่ได้บ่นพี่นายลำพันว่าเราเป็นชีศข้าทิศเหนือชีศไปทางทิศเหนือเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือน้าพ่อหน้องของืองบาก็เหมือนกันก็ไม่ได้บ่นว่าเราเป็นเมืองขึ้นของมหาสมุรทรทะเลแต่ความจริงในชั้นนี้มันก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเป็นธรรมะละเอียดมากยากที่จะมีผู้พิจารณานอกจากผู้ภาวนาเพื่อคนทุกท่า น, นั้นจึงจะพิจารณา นอกจากคู่จะเลื่อมใสในพระพุพทธธรรมผสมยิ่งขั้นจรงจะมองเห็นเหตุไงปัญหาของเราจะมีมากปัญหาของเราที่มีมากอยู่ก็เพราะเหตุว่าเรายัางถือว่าลัทธิอื่นๆคําสอนดีกว่าพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธศาสนาคําสอนบอกคร่องในเทวดาและมนุษย์สอนเทวดมนุษย์สอนมนุษย์ก็บกคร่องสอนเทวดาก็บกคร่องอะไรอะไรไม่ทันเขาไอ้ที่แท้พระพุทธศาสนาเหนือไปหมดแล้วถ้าเรา มีความเห็นดิ่งลงไปว่าพระพุทธศาสนาเนื้อโลกอยู่ทุกย ท, ท, ทุกสมัย้ตลอดทั้งคําสอนด้วยทุกด้านทุกมุมด้วยจริงใ ด, ดในใดโลกประท่าจะมาเท่าเทียมถึงคุณพระพุทธรธรรมประสงค์ที่ทรงพระคุณไม่มีเลยถ้าเราเห็นอย่างนั้นการถือพระพุทธรธรรมพระสงค์เราก็ลงสนิทลงสนิทไม่ต้องสงสัยที่เราสงสัยอยู่ก็เพราะเราถือว่ายังไม่เท่าทันเทียมถึงเขายังราชสมัยอยู่นี่แต่ปัญหามันก็มากเราถือว่าพระพุทธศาสนาราชสมัยปัญหามันก็มาก เรถือพระศาสนาทันสมัยหมดปัญหาของเราก็ไม่มากเราก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้นเราก็เลือกใช้อย่างดึงลงไปรู่งระเบิดปรมาณูเขาทาลายแตกเนอแผ่นดินนท่วมแคนสี่หมื่นโยชน์ที่เลือกใช้พรพุทธธรรมประสงค์ลึกกว่านั้นใครมาทําก็ไม่แตกเนีฉะนั้นพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์แน่วแน่แล้ ว, ล ว, ล ว, ลวพระอรหัน์จะมีกี่จัาพวกก็ตามพระพุทธเจ้าจะมีกี่จัาพวกเขตาม วาสวดถอนบุคคลพูดถึงว่าพูดประทำประสงค์ลงดิ่งแล้วให้เขาไปถือรักที่อื่นเขาก็ไม่ไปเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเขาลดทำพระบรมศาสล า, าจึงเขาลดทำบ้านเมืองของเราเขามอนกันการปกครองบ้านเขาปกครองเมืองปกครองวัดของเราเหมือนกันตลอดทั้งประเทศชาติหรือโลกถ้านี้จากคํำสอนพระพุทธศาสนาแล้วก็อนุมาณมากเนอนั่นถ้าไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นดี่ง ทางคนก็ต่างวางแขนลงไม่มองไม่มองดูดิ่งของพุคคลศาสนาไปในรถเนอะพวกของบ้านเมืองเราก็เหมือนกันในระหว่างบ้านของเราเหมือนกันในระหว่างครอบครัวเราก็เหมือนกันครอบครัวบัาสตสอนวัดแล้วในรหว่างข้อก็เมือก็สอนวัดแล้วในระหว่างขัวก็สอนวัดแล้วในระหว่างบุตรกับเวลาบรรดาก็สอนแล้วระหว่างเิดามรรดาศักบุตรก็สอนแล้วในระหว่างบ่าวไพ่ก็สอนแล้วในระหว่างมิสหาเหตุสอนแล้ว ในระหวา่างครอบครัวก็สอนแล้วในระหว่างหมู่เพื่อนก็สอนแล้วในหว่างเพื่อนท่วโรกก็สอนแล้วพอ เ, เรามาสังกกตสอนมดในสังคมไหนไหนก็สอนมดัดแลที่สันยุตาเป็นผู้รู้จักกระตุ้นจนและกิริยาที่เราพูดตอบตรงตนจนนั้นนั้นว่าหมูเนี่ยเมือ่อเข้าปัญหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคละก็อาลัณ์ยุตตาจะต้อเลือ ก, อกนนคคบุคคลว่าคนนี้เป็นคนมีคนพบคนมีเป็นคนไม่ดีคนพบเป็นต้น โบราณาสตราสนูนหมดไม่มีที่ีรักเลยนะด้านข้าในาควโบราณศาสตาสูหมดคุณนวุฒิไวยวุฒิคุณวัตถวั ย, ยวุตถก็มีในพระพุทธศาสานาอปมาโนวัโถ คุณของพระเจ้ธธ า, ม, า <iatric> มันมีประมาณเอาประมาณเราทำคุณของพระธรรมมันมีประมาณอประมาณเราางโคคุณของพระอริยสงมันีประมาณเมื่อมีคุณไม่มีประมาณก็เรียกว่าสั่งสอนไม่มีประมาณนั่นถ้าไม่สั่งสอนสอนไ ม, hygiene. ไม่มีประมาณกว้างขวางเกินไม่มีขาสนต่ใดใดที่จับสั่งสอนให้เรียบร้อยมันต้องพุทธศาสนาดอกสร้างอะไรมาทางนั่นสร้างมาเรื่องมาทางนี้คนนั้นสร้างมาทานั้นคนนี้จร้างมาทางนี้ท่านรู้วัดไงไปเราประทัดนั่นสั่งสอนของพุทธศาสนา มีคำสอนเดียวมีศาสนาเดียวนะไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้เปลี่ยนพลรบเลยเขาไปในไนก็บอก ล, อล้วอย่างไรอ๋นนออย่างพันไรพ่อพันทำมาประเทศไทยถึงมีวัดมาก ถ้าประเทศไทยไม่มีวัดมากจะให้ผีตัวใดมันมีวัดมากเพราะประเทศไทยถือศักดิ์นะพุธทธนะทําไมจึงมีพระมากแค่ก็เพราะมีมากถ้าประเทศไทยไม่มีมากจะให้ประเทศปรอืศนั้นมีที่เป็พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาทําคนให้เป็นหมันแล้วเอ้าพระพิสุของพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยมีกี่กี่กี่แสนให้พวกนี้มันออกไปดูดูบ้านเขมันเอ๋ยเมี่ยขมันเอ๋ย ไรนาเขามันเอ๋ยมันก็ไม่พออีกละเนี่ยรถเรือของมันเอ๋ยที่ดินถูกบ้านเขามันเอ๋ยนะ่ะไม่พออีกละลูกก็ไปทาก่อสองคนสามคนแต่ละคนละคนที่จะทํำมันนะหลานมันเอ๋ยเดยกมันเอ๋ยนเป็นมันอยู่ในตัวแล้วทําคนให้เป็นมันอยู่ในตัวแล้วพวกที่เขาถือว่าพุทธภาษาระสองถือศีลหนะ้าศีลแปดอย่างนี้เขาก็มีขอบเขตแล้วก็มไม่ร่วมพอปัตตเวณีของลูกของเมียของผัวเขา่นะ วันพระวันโ ก, กนพอดีวันพระพอดีขึ้นเช็ดข้ามแก่ข้ามพอดีแล้วก็ไม่สมชิงกันในกรมมาลยนะนะักพวกที่ไม่มีพระพุทธศาสานาเนี่ยเอาละพวกบาพวกบ้าทําทให้ประมาทพระพุทธศาสานาเกินประเทศไทยเราพวกป่วยกายทําไมตํารวจถึงไม่ตบจริงประเทศไทยไม่สมชันอาจจะเป็นอย่างนั้นเปือยกายอย่างนั้นอย่างนี้กู้จัดกเกินหน่าทั้งว่าแจกวานก็เคยมีประเทศไทยของเราเนี่ย มีมาเขาจะดูถูกแล้วถึงไม่สมศักโคตก็คืว่ า, านี่เป็นเรื่องอจีตใจพูดแบบ้าไม่ใช่ได้หรอกเป็นความผิดแต่ละคนนะคนพรวพุทธศาสนายังอยู่ ย, ยั่งยอยู่เราก็มีคนอยู่คงที่ด้วยพระพุทธศาสนาที่นหนาง ชาวพุทธเราจะอยู่ได้เราก็เหมือนวัาะว่าตั้นส่วะกอบพุทธไทรานใทรพุเจ้าพุทธธรรสุนผู้นั่นจะได้รับผลของกรรมบรรจงอยู่ชั่วการงานผลของกรรมผลของกรรมที่ทำไม่ดีอยู่ชั่วการงาน ผู gen, er, e its, ấn, the ้ใดเรียกแดงก็ทำสูงหลวงของทำจะตามดำรงอยู่ทั่วการงานหลของดำมันเหมือนคดีดํำคดีแดงในโรงในศาลเนอะคดีดําในโรงคดีดํำคดีแรงในโรงในศาลมันหมดอายุเป็นอันนั้นมันหมดไายเป็นตามไปผมถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานน่ะอันนี้ละมันสาคัญ ถมันม<บ>ีอันนี้มันก็มันสำคัญทํามัญญาตาคือรู้จักทีฉันรู้จักว่าถึงนี้เป็นเหตุงสุดถึงนีเป็นเหตุแห่งทุกข์อันสัาตาคือรู้จักผลรู้จัก่าสุดเปนผลแห่ตอันนี้สุดเป็นผลห่งอนี้นี่ถ้าสวดาบวันในพระพุทธศาสนาต้องรู้จักเหตุสุดผลทุกขตัณโนในทางพุทธศาสนานับเป็นต้นพระพุทธศาสนาประโยชน์ภายหน้าพระบรมสารีราภวโลกรัศน์ทัศนาในความเดียร์การา คือเชื่อว่าทำดีทาด้วยตัวเป็นต้นที่นักาชญ์งข้อมันโยเสียงคือรักษาารราชาให้ย่ยมีโทษจากคาธทานถง้ออยการบริจาคทางเป็นการเสียสุขให้แส่แกผู้อื่นปัญญาธรรทานถึง้ออยการ้วยปัญญาู้วยจาบนปุลเป็นี้ษปรยู่เป็นประโย์ในในภาคหน้าในอนาคตระชาติพระบรมศาลาขอสอนประโยชน์ในปัจจุบันขอสอนอุฒิานธรรมาทถง้ออันโยความมาน ในการาปรกอดี้องเกชีวิตกรีในการศึกษาโรงเรียนกรณีในการสอบตระหนักทุกคีรักษาสังารทุกความในกรณีรักษาเพือรักษาสังข์ที่ถือกนทั้งมาได้ด้วยความหวัง่าให้เกิดการากประโักษาต่างงานทั้งตัวม่ตัวเสียไปรีการยามนี้สารควนผู้มีเรื่องในงานทุกนทั่วถ้ามชีวิตาคเร่ชีวิตในทางที่ชอบนักประโยชน์ในปัจจุบันเล่เหือนเล่เบอร์มันก็ชิบหายตายหรเลนี อะไรพวกโอเคมาอะไรพกามานจะมีในอีกหนึงคนกาม่านมาหลายคนนะอุกท่านถอนปูปทานอนกั น, กนยทีนะจะทาให้ว่าจะท้ว่ า, นานนในที่ปฏิบัติงานทีนี้คิดออกจากทำจะอยากทาออกจาก จะแยกวัตถุภายนอกมีรูปมีนามก็แยกกันที่นั่นจะแยกแยกผู้รู้ออกจากผู้รู้ ก, กนั่นออกกนั้นั น, นที่ก็ทอยู่นั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทำถ้าอย่างนั้นก็ไม่ชัดก็ไม่พ้นชื่อความสงสัยเองยองทับคิดให้ว่ายองทับเป้าใหว่าจองจองทับียดใว่าให้แยกมันเชื่อมันว่าจิตป็งเราเราเป็นจิตเียวกวาจิตให้ว่า ไม่คิดว่าปัจจุบันเป็นเราเราเป็นปัจจุบันเรียกว่าทำปัจจุบันใหนว่าเม่อิดถืผู้รู้ว่าเปนเราเราเป็นผู้รู้ในปัจจุบันเรียกว่าทําู้รู้ให้ว่าม่วานจากเรื่องานี้ไปแล้ววิญญาณไปติดั้งที่เข้ามาในที่เกาะชุดเดียวตายในคณะก็เข้าสู่อนิจจาวิเศษอนิจจาว่ทั้งใรงามเถิด ต้องทําให้ว่างแค่นั้นละว่างจากทรัพยจากบุคคลเราตอนเราเขาเช่นดินเส้นน้าเส้นไฟเส่นลมเส่นอะไรอการใายนอกอะไรประตามภายในก็ตามก็ต้องลงถึงคิดว่าผูรู้ว่าต้องประลอย่าี้รู้ถิจรู้ถ้าสำคัญว่าตนเป็นจิตถ้าสำคัญว่ิตเป็นตนมันก็ไม่ว่าถ้าสําคัญว่าตนเป็นเวทนาถ้าสำคัญว่าเวทนาเป็นตนเวทนาก็ไม่ว่าก็วางเทเวทนาไม่ได้ ก็ะ so so ้งัเวทนาถ้าคัญเวทนาทุกทุเวกาเป็นตนอยู่ตนเป็นเวทนาทุกทุกเวกขาเวทนาก็วางไม่ได้เพราะมีผูเบกถืออยู่พระรก็เหมือนกันสำคัญเราเป็นพูสคัพรูเป็นตนในปัจจุบันเม่สาคัญเาพโรูปเป็นตนในปัจจุบันะัาูเป็นตนในอดีตอนาอเาอันอื่นก็เหมืกันะครวบาัว่าตนเป็นเวทนาเวทนาเป็นตนมันก็วางเวทนาไม่ได้มันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ ทังอดีตทา้งอนาคตทั้งปัจจุนด้วยนั่งนั่งนั่ถ้าทั้งคำว่าเรานั่งเป็นเราเราเราเป็นผู้นั่งแล้วก็ข้ามนั่งไม่ได้เหมือนกันนั่นถ้าสั้งคำว่าเราเป็นผู้นอนนอนเป็นเราจริงจริงเกางังกวนแกไม่ได้ใครไม่ออกแล้วก็ข้ามนอนไม่ได้เหมือนกันดเดินนั่งอนดึงดึงกินพูดคิดเหมือนกันอันเดียวกัน คนนี้สำคัญมากทำแค่สูงคเนี้เจตีเอกเจตีจะมาเข้าสมาทธิกันตอนนี้ต <c oughs> ายตายจะมาที่มัดตอกไปเกิดก็มารงเ <c oughs> นี้ยเขาลงมาเอกมดเวลาเขาลงมาเอกท <c oughs> ี่บ้บานมานานี้วรัฐบติทำลายทำลายความหลงของตน เขาลงเขาตนมีอยู่สีอย cool er <Excellent. S 1> ่างล้มของมาเที่ยงมาเป็นของเที <ten> <s> ่ยงน้มของเป็นสุขก็เป็นของสุขล้มของที่ไหนใค่ตัวตนอะไรตัวตนล้มของที่ไหนสวยรงามมาเป็นของสวยองงามไห่นพราะเห็นได้พราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนตนเป็นสิ่งเหล่านั้นนั่นถ้ามาสำคัญว่าตนเป็นสิ่งเหล่านั้นถึ่งนั้นเรไม่เป็นตนแล้วคนยึดถือจะมาจับกับตัวไหนนั่นนั่นนั่ ถ้ากูไม่มีในที่นั่นของกูจะมาจากเขาตัวไหนมันก็ถูกพุทธทาสพูดต้นเ็ถ้าผู้อื่นไม่มีที่นั่นของผู้อื่นจะมีมาที่ไหนก็มีแต่สังขารและกองทุกข์กันเต็มโลกนะ่น น, น, น ตอนนี้สำคัญมากกำลดุดลมหายใจเข้าออกก็ดีเราไม่ใช่ลมลมไม่ใช่เราผู้รู้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผู้รู้ลมก็เป็นสังวรลมผู้รู้เป็นเริเรารองผู้รแต่ว่าต้องเหนี่ยวถ้าไม่เหนียวมันก็เป็นว่าจะขาดพ่อจะเหนี่ยวเอาอ น, นั้นเป็นตัวประกันจับตัวประกันใช่ก่อนทาไม่ได้คาหนังคาเขาเดี๋ยวไอ้แค่ก็ไม่แค่ว่าจะเอาลงออกลมเข้าไปผนิผานด้วย ทำไมถึงพี่ยานาพี่ยานาให้ลู้ที่ทำเป็นสิ่งลมเป็นเกษรกรลจิตเป็นสกษตรกรพุ่รู้เป็นเาษตรผู้รู้ไม่มีใครยึดถือใครมันเรยกวางกันอยู่ในตัวเมื่อรู้เท่าแล้วมันวางกันอยู่ในตัวมันว่างอยในตัวเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็ไม่ว่างมาว่างก็ว่างจากสัจจะพวกคลนั่นเองนัยอดโคตรโชยอดธรรมโยอดสั้งโคไปรวมกันอยู่ที่นั่งยอดเขาพุทธศัพท์นะเขารวมกันอยู่ที่นั่ง ยอดสมถะและภาวนาวขาต้องประมุ่นอยู่ทีั่นยอดทรัพย์ภายในเประมุกันอยู่ที่นั่นทรัพยาทัพยินทรัพย์นิทรัพย์โภชปาทรัพจ์าคทรัพปัญญารัพย์ประมวมกันอยู่ที่นั่นัตรสงค์ก็ต้องปรวมกันอยู่ที่นั่นองคกรองทรัพท์ธรรมรมนกันอยู่ที่นั่นด้านนิปัตนาและย่างด้านสมถะกลเกลือนกันอยู่ด้วยไม่ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญากเกือนกันอยู่ที่นั่นด้วยนะ ใช่คะแนนแต่เขียนก็ไม่ถูกใช่คนปมาก็ไม่ถูกใชคะนนแต่บางคั้งางที่คก็คงมเกืนกันอยู่ในคณะเดียวนั่นเองแค่เนื้อนังเอ็นกระดูกก็กลมเกินกันอยู่ในคณะเดียวนั่นเองผมขอแนะนำก็กคมเกลืนกันอยู่ในคณะเดียวนั่นเองมือนะครับเดียวนั่นเองลินน้ํพาปลงก็หมนกับนองเงินก็เหมือนกันเราพิจารณาชั้นนั้นเหรมันเป็นอะไรนั่นแหละคือ ยอดของสีนยอดของสมาธิยอดของปัญญาที่กองเกลืนกันอยู่นั่นๆัๆนั่นก็ใที่เวลาถที่เาไปปานา่าาในทุก่ถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์ปนคนั่นแหละศีนอุสุตินั่นแหละสมาธิอสุตินั่นแหละปัญญาอสุตินักิล พากันเอารถมาใช่ไหมมาดี๋ยวนี่เอารถมามาเอาองศ์สีมาเวลาลงไปถ้าพูุเงนี้ลงไม่ดีอย่าไปลงทางนี้นะเดี๋ยวพักตุกนะอันนี้เนี่ยเขาทำไว้เพื่อ เวลาซ่อมแซมักมาให้ปาดธนาให้คนขึ้นเนาะต่คนจะขึ้นท า, ทางทางให้ท า, าสาหรับไหวสาหรับเมื่อเวลาลึฟมันทา <อ Vamos S 1> มันทำรเาจะได้ไ่อแซมนีแต่คนเห็นก็คือพาันขึ้นสนุกนสนุกคือใช้หลัก ย, ยิ่งพดพี่สะพานยขึ้นบายงด่หนาื่อานมากแล้วเพระมันมี่เราจับอยู่มี่ยเราจับอยู่นะครถ้าจะมาตร มันก็ไม่ไหวละเราตรวจสอบด้แต่คนทางไลฟ์ชอบลงทางนี้มันมันลงง่ายขึ้นแต่ไม่ไม่กล้าเลยเหนื่อยขึ้นต้องขึ้นทางนั่นเดี๋ว่าถึงง่ายแต่ว่าโค้งไปทางนั่นเดี๋ย่ถึงง่ายเดว่าเหนื่อวว่ใครมันหักมันไม่หักหรอกมันไม่ไหวจริงไปมาเลยคนวามาวันนี้มันตั้งพันพัน แต่ตายเลยแ่มนก็ไมไปไหนนมาเน่ย้แต่ก่อ่ใเคยมาไหน่ยใครนชายนาได้มาทั้มดมาบ้านเรามาน้องชายมาได้มาทั้งหมดเลาแวแต่ก่อนแต่ก่อนท่านคงเคยมาแต่ก่อนน้ชเออแต่ก่อนท่านเคยเกี่ยวไปเที่ยวมา เดียวมาอยู่นมนมากระเที่ถ้าอ่อนกว่าเราสองภษาไ้ลูกก็จะอ่อนกว่าเรามากร้อมากอมากมาปียี๊ปี๊ยไนเดอี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยคนห่าเช็ดเยอเยเนี่ยห่า่าเพราะนั่นมาเดือย่ที่ดางแดงแบบถ้าอยากให้เาให้ครักนะ ไม่มีใครสารประกันว่าวันนั้นจะตกวันนี้จะตกมันสามารถตกก่อนที่เราคาดหมายถ้าเขาเล็เขาฝันว่าเขาจะตายในวันนั้นเขาจะมาทําไมถ้าเขารู้ว่าเขาจะตายในเวลานั้นเขาจะมาทำไมเขาเข้ามาทไมเขาเข้ามาดูว่าเขาจะตายวันไหนพวกเขาครับว่ากรมกันถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปชนกับรถเขาที่นั่นที่ไี่ถ้าเขารู้ว่าล่วงหน้าเขาเข้ามา เขาเขาไม่ให้ทนเขาก็มาหายไปแล้วเนะา่ยเนี่ยเป็ น, นอย่างนีเป็นธรรมชาติชนะเหมือนกันเนี่ยเก๊ดาเดียวเลยยาถึงเข้าม า, า, าไปไ้หนถ้าหากว่าจิตของเขาถึงมาพูดปากคำมาสองแนวแน่ขเขามาไปถึิตถ้าจิตของเขายังไม่รั้วอยู่ขไม่รับรอง ถ้าคิดของเขาถึงว่าพุทธประธรรมประสงค์อยู่อย่างนั้นมาออกแล้วเขาเข้าไปสุขสติถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็บอกไม่ถูกแล้วเขาถึงว่าพูดธประธรรมประสงค์เขาอธิษฐานจิตเขาหรือไม่แล้วได้ไม่ได้ปรดีพอถึงซึ่งว่าพุทธประธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อเขาอธิษฐานจิตเขาไว้หรือไม่ถ้าเขาอธิษฐานจิตเขาไว้อย่างนั้นแล้วความอธิษฐานของเขา เขาตั้งสัตว์อไย่างนั้นไหมถ้าเขาตั้งสัตว์ออย่างนั้นเนี่ยเขาเกิดตายเวลานั้นคือแม่แต่เขาจะไม่ได้สติก็ตามเขาต้องไปสุส่ติเพราะเขาอธิษฐานอย่าง้ันนนนเขาตั้งสัตว์อรอย่างนั้นเลยถ้าเขาไม่ตั้งสัตว์อะอย่างนั้นก็ลำบากเหมือนกันเรื่องกัมกัมเรื่องเครือัมด <รอ S 2> ีที่ทำมาดีพอดีกเกียวในช่วงนะั้น ว่าคิตของเขาถึงโลกุตระแต่ก่อนยังไม่ตายเขาก็ไม่เป็นปัญหาเมือเขาคิดถึงพระโสดาบันแล้วแต่เขายังไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหานี่หมายความว่าจิตเขายังไม่ถึงพระโสดาบันแต่เขายังไม่ได้อธิษฐานสิทธีถ้าเขาอธิษฐานสิตเข้ามาเรื่อไมง่ายก็ดีเขาทวนถวายบูชาแต่ว่าศรัาลงทุกข์มาเพรางพุทธกรรมสงอยทุกง์มาคนทุกในวัดทั้งสามต่างพนต่างเขาตนทมาถึงถ้าเขาอจิษฐานระยะนั้นนะ เขจะตายเวลาไหนเขาต่อไปดูยังตำ่ำถ้าเขาไม่ได้อัดทตแม้ว่าทานั้เจิปฏิยังเรียกว่าทนหรืก็บางท่านก็ทันเนอบางท่านก็ไม่ทันถ้าบางท่านที่ยมปูกฝังตอพระพุทธธรรมประสงค์ไปแล้วมันก็ทันมันบนดานทันน้องกันถ้นถาบ า, บางท่านไม่ได้ว่พระพุทธธรรมประสงค์มันก็ไม่ทัน อารมณ์ของมันไม่ค่อยแล้วึกถึงพระพุะทธพาธรรมพระสง์มันก็ไม่ทผู้ทีิชำนาญในพระพุทธพรธรรมพระสง์มันก็พิจิตรทนไม่ธรรมะค้อยคข้อหนึ่งก็ธรรมะค้อยค้อยเขาบอกวาสามเวลาบอกว่วกเาเวลคนจะสามพระบรศาาเวลาผมเข้าไปในเมืองนักเกตมันจปาในสีแท่งสา ม, สามแท่งสองแทงระวังรถเข้ามาในที่ขังสีรถมากรถบัวเขา นบมากนบรัวเขาบอ ก, กว่านบรไม่ใช่รัวไม่ใช่โภแกงว่าเขาจะมาเหยียบเขาจะมาชนลืมภาวนาพุทโธไปสักเมื่อตายในเวลานั้นมันจะเกิดที่ไหน เ, นเออเธออย่าต้องใสเธออย่าต้องใสเพราะิจใจของเธอถึงว่าพุทธธรรมพุทลึกแล้วมันไม่ออกก็ข้ า, ขาทับต้นให้ที่มันเอโนอไปในทางทิศตวันออกมากต้นตโต ใครก็ไปโค่นมันมันเคารไปาะธานขึ้นตอนอ่นเองช้ำใดก็ดีคิดข อ, องเธอเอ็นไปในพระพุธทรรสงฆ์มากแล้วไม่หวั่นไหวแล้วตายเวลาไหนก็ได้ที่เราสร้างความได้ที่ดวงใจและเราก็สร้างความสุขขึ้นได้ที่ดวงใจเหมือนกันนับแกวสารพัดนี่ก็คือรวงใจนี่เอง ที่สร้างความชอบขึ้นที่ดวงใจก็คือกิเลสที่สร้างความดีขื้ที่ดวงใจกนนะ็คือกี่เป็นบุญถ้ากิเลสมันงอยอยู่าวนห้อใจมากนะมันก็ไปช่วนไปทางดีเนอะมันก็มีแต่ชวนไปทางสั่วมันก็บอกใช่มันคว้าฮั่นกำลังฮั่นหน้าเดิ น, นก็บอกไปเดินมันงอยอยู่ที่ความรสชติถ้าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์ อยู่ในดวงใจของเราแนละ้วอนนั้นมันก็ไม่กล้าไม่กล้าลงละเมิดแล้วไม่ทําตามอํานาจของใหรมาเพราะเรามีสินทางดเพราะเรามีที่พึ่งเพราะเรามีกองทัพไม่แตกเราไม่มีคราพูดเขาทำสขาสงอยู่ที่ดวงใจใงท้ก่กองทัพแตกง่ายกองทัพจิตกองทัพใจอะไรมาเตะเขาจะแตกจะแตกง่ายพกองทัพไม่แนก กองทัพ่งคือกองรับพุทธธรรมสงที่ที่ดวงใจความเร่มใสในพุทธธรรมสงก็มันด้วยปัญญาด้วยนะกอยงทับทำเองนที่ลวงใจไม่แจกง่าแล้วปฏิวัติเพื่อมายังเพื่อคนทุกข์นะว่าต้องสานปัญหาไม่มากเนอถ้าปฏิวัติเพื่อล่าวยกปัญหาไม่มากปฏิวัติเพื่อ อ, อารมิตปัญหาไก็มากถ้าเราปฏิวัติเพื่อคนทุกข์ส่วนอามิตภายนอกมันไหลมาเองมันตามสิติกำลังมัน ถ้าเราไปปราศรนาเอาอเม็ดควยออกมันเตลิดเปิดเปิงหนีซ้ำมันไม่มาเลยก็ยิ่งหาก็ยิ่งแหแหเดียวมันหนีพระซาร์ภาคอีสานควายตัวนี้มันแหมันไม่เข้าคอกเขาว่าอย่างนั้นเดียยวมันปีคอกยิ่งเสหาหาก็ยิ่งมันก็ยิ่งปีกหนีแล้วจไปแห ไม่ใช่แฮที่เขาทอดปลานะ่วกท่องเทีย่ยวไม่รู้จะหนว่ยไหนนะทำไมอธิบายฟังพวกเราเขาไปอยู่นั่นพอออกกลางถนนเขาก็พูดไทยซักแต่เข้าไปบ้านเขา <c oughs> เขาก็พูดราวซักพอมาเจอพวกนี้เขาพูดไทยแฮะทำไ ม, ามารู้ภาษาเขาเลย <c oughs> คนอยู่ในกรุงเทพมัเกือบพึ่งหนึ่งเยคนภาคอีสาน ขอนช่วยคอนขอนฟ้าเกือบจะหมดเลือ่าที่แท้มันไทยกับลาวมันก็มาด้วยกันกับีนพวกนี้พวกไทยลาวีนยวนเขมปะปนกันอยู่ภาคอีสานนันปะปนกันอยู่เอเชียนี่มากแล้วก็ไม่น่าจะรกันพวกเราก็พี่น้องกันถ้าตายแล้วเปิ้าดวยูนก็ลาว ก็ไทยก็จีนแกเป็นไทยกางช้าใช่กลางช้าแต่พนกกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปจนถึงยี่สิบไปจนถึงยี่สิบแกพวกนี่เรียกว่าสาวเท่านั้นพวกนี้ว่ายี่สิบแต่ว่าพิแ ต, ต่ทั้งเนียงหนึ่งสองามก็ถูกกันอยู่แล้วไปไปมาก็ถูกกันอยู่แล้ว เขามาไปก็สูกกันเขามามาก็สูกกันพิสแต่ส้อเนียงกันเขามาป้ายตองไทยใหม่พูดะไรู้รู้เรื่องเนะพวกคนไม่รู้เรื่องพวไทยใหม่ไทยใหม่น้ําเค็มถ้าใหม่น้ำซีร์ก็พูดไมารู้เรื่องอย่างมันเขาเขามาพูดกันเขาเขาพูดไมารู้เรื่องอีกสั <c oughs> งเกต้หมเออสักขั้ขําเ ม, มื่อไหร่สักัน ไปหนอแล้ว่าท่านจะดวนไปไหนนีมันพอสำ่งซ่านี่วันพท่านกำพันสายืนบาทยื่นบาทพระยืนมีนเทาบาทซันไปเลยนะสามีไปเลยไปทะเลไปร ไปตลาดซั่งหมดซั่งชมดตอย่ามูอย่ามูใดฝรั่งต้นฝรั่งหรือลูกฝรั่งภาอีสานเรีเยวกว่าซีดาร <c oughs> ยท่านอาจารย์มรับเห็นท่านเทศเออมันสมมติคเฉดเดอะละเออ สมมพารู้กันเอาละท่านพดถ้าไฮเกีนมาพูดภาษาไทยก็เป็นทัดอีกเหมือนกันท่านผูดถ้าไฮเกีมาเป็นหน้ามาเป็นหน้าจะร้องหน้าจะขอเป็นหน้าอุลลุมปัตุมังผ่านแก้ อ, องลอง่ อ, องลองปัตุมังพังตะยานอุลลุม่ อ, องลอง อุ้นรุม อ, อนะ่องร่งนั่สรางตาพอได้ก เ, เอาเท่านั้นแหะแต่ความหมายมันเข้าใจกันอยู่แต่มันพูดไม่เป็นอุ้นรุมอ่องล่องมักเอาตัวงอตะกดุดท่านอย่างนี้ก็เกณฑ์เว่าทั้งทั้งทั้งทั้ทั้ง ท, งทงจับไป น, นละ่ะ รถ อ, อย่างนี้กับกผมอย่างนี้กับผงผงผงผงผมผงผงผ ง, ผ ง, ผงแกเสื้อัวมาให้ทั้งแต่ว่า น, น่าฟังกพ็พูดพูดน่าฟังมากถ้าเขาพูดกันตบเขาแต่เราไม่รู้อีกโอเยเลยเนี่ยพวกจวนก็นมั่นกันเลยเขาพูดกับเขาเราไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องอะไร สมมุติสมมุติจะมีกี่ระล่างก็อยู่ใต้อำ น, นาจอันนต่างเากิดขึ้นในภพแปรวนและแปรร้ายสมมุติก็คือสมมุติอะไรบ้างเพราะสมมุติในธาตุดินน้ำไสลมเรานี่เองเสื้อผผ่อนท่อนสบายเราสมมุติออกมากอันนี้ก็มาจากธาตุธา ด, ดินก็เป็นข้อนแข็งอยู่ที่าทมาจากธาตุดิ่งินที่เหวก็มาจากธาตุน้ำสิ่งที่พัดมาก็ม า, า, าสอกธาตุมามาาาลม น, น, น, น, น, นี่น้ำไสลมนี่เองเป็นสมบัติของธาตทั้งหลายที่แย่งกันอยู่นี่ ทำออกมาจากดินหน้าไฟลมมาดิบเจอก็แตกสลายลงไปเป็นดินไปเป็นดิเนดเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันเช่นกุฏิวิหารอย่างนี้ก็แตกสลายลงไปสิ่งที่แ็ฉก็ไปแตกสลายลงไปเป็นดินเป็นหน้าเป็นไฟเป็นลมสิ่งที่เหลวสี่งที่พัดจะมาเหมือนกันแต่ทั้งหลายก็มาแย่งกันในาธาตุทั้งสีเองซุปทุกมาจากไหนก็ไม่าจา ก, จากาธาตุทั้งสีที่สมประสงค์ จากธาตทั้งสี่ที่ไม่สมประสงค์คําว่าสมประสงค์ไม่ไม่สมประสงค์ใครเป็นผู้ไปรับสมประสงค์มาสมประสงค์ก็คือกิเลสเนี่ยพระนิพพานไม่รับมาได้ปัดกับใครไม่มีใครไปสร้างซ้ำพระนิพพาน้างซ้ำแต่ส้างซัำไม่ถึงสั้างกันได้ก็แต่โลกเท่านี้แหละนะความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นไม่ปัด ถ้ามาเห็นมันเ um จอมันเจอมันพบมันปักพะหารก็ไม่มีประตูเปิดหายโลกไม่หนกอยอมเบิดหายโลกไม่เจอเล้พวกเราถือว่ามันมีเมื่อถือมันมีมันก็ติดอยู่ช่หารบอกว่าไม่มีสุขอนพรหักถับุกเกิดแ่ก็มเมตตับสุกเกิดใจใจซับวาโลภุกเกิดแจกทางานที่ปฏิจารทกข์ุกเกิดแ่ก็ไม่มตนี่เป็นสิ่งสุปข้องพรัถึงอย่างนั้นก็อยู่ได้อานาจอันยิงใหญ่เกิดไม่กับแ่คนั่ต ถาพระอหันมองเห็นโลกว่าเป็นสุขถ้าเมตถงานพระอหันต์กนยิงจากโลกไม่ได้ก็ไม่เบื่อานความหลงของตนก่อนที่จะเบื่อในความหลงของตนเขาเฝ้ว่าเห็นความสุขในโลกนี้จึงเบื่อในความหลงของตนที่เคยลงมาจึงเข้าสู่พระนิผ่านไปเสียอเมื่อเบื่อานความหลงของตนก็ชนะหมดชนะกิเลสของตนหมดเพราะปัญญากล้าปัญญาถ้าเขาต้องเบื่อในความหลงของตนที่เกิดลงมากิเลสก็เงยหัวไม่ได้เอาละไป ว่ดสองแล้วโนวนนโขโถน้ำวนน้ำโขโถน้ำวนน้ำโรโถน้ำวนน้ำโขโถน้ำวนน้ำโขโถนวนน้ำโขโถน้ำวนน้ำโขโถนวนน้ำโขโถนวนน้ำโขโ แล้วให้เขาจับที่พักให้แล้หรือยังเด๋ยวนี้พาไปนะพาไปจัดที่พักให้ได้หรือผู้หญงสามผู้ชายสามที่นังเือดได้แล้วหรือยังเอาไม้นั่งเือดนั่นนังสือได้แล้วหรือยังเสือเอาเอาไหมคือได้ไปแล้วไปถวายธนการของพุทธีอยู่วัดป่าที่คงคำฝอยจะได้ท่านอยากอ่านนี่ก็เลยถวายไปนี่มีใจไว้ยังไงวันหนึ่งต้องได้คือ แล้วมันจะได้คืนที่ทำได้คืนจากลุงปูเออเอามาให้ใช่ไหมฮะปักุ้งปูฮะคนนี้ไงฮะที่ที่ํามีฮันบอกว่าได้กลับเรียนทำลุงปูปล่าว่าดอกบัวที่พวกเราที่เป็นดอกบัวที่พ่นน้ำแร่เนี่ยคนนั้นสี่ตัอยู่ในน้านสี่คนเนี่ยคนี้เขม่ตตอนนั้นก็สร้างสี่หงปูลยอไฮะแล้วุงปูก็บอกว่าจะเป็นลุงปูะา พวกเนี้ยเป็นพวกที่เป็นบัวที่พนน้าแล้วเขาไม่ได้มาด้วยเขาบอกแลไมกลาเป็นถางหวคนน้ำมมอกว่าพนน้าแล้วก็สุปฏิปันโนสิ<า>ถ้ามันบางแล้วก็อรหันสิก็<า>เอ็นเลยมากลาเปนอคูอีกครั้งเลยบอกว่าจะเ็น ท, ท, ท, ท, ท, ที่นนัวแสงธามว่าพ้นน้ําม่แต่ตามปีเลยอลค์ปู่บอกสัญที่ยังไงก็เข้าทางแล้วอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ะ<า>บาะ ไม่เกณฑ์ยาบาลผูกดำแล้วดำแล้วดำปี่เลยก็แปลว่าให้ข้าวแดงจะเป็นขั้นต้นจะได้แล้วก็ไปี่แบนั้นเขาไปทำปรน์บนขอกูกไม่ไม่ถูกถูกถูกกลูกปฏปันเตยมภูรู้ปฏิปันโนเตรมภูถูกเลยลูกปฏิปันโนนะเปนภูรั้นตนของพุทธศาสนาต้อนนั่นลงมาองท่านนะครับผม ว่านั่นเป็นรัาดม้จากต้นปู่ที่ตงที่วัดพยายามให้เข้ากลางเอาไว้แม้ว่าจะหลักกินไปยังไงก็อย่างตั้นแล้วอืใช่ไหมคะก็พยายามอยู่เวลานี้ถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมคะว่าซะกเห็นรังพันนั้นแล้วถูกซื้อดอกไม้อยู่ในมือแล้วถูกเดินหน้าไม่ได้เดี๋ยวทลังนั่นถูกกาดูลูกไม่อยางนั้นถูกถูกถูกถูกนั่หละดวงตาเห็นทําเห็นอย่างนั้นเห็นด้านปัญญาไม่ใช่แว่นตาทางนอกเห็น ดวงตาเห็นธรรมก็ค hmm. ือคือปัญญาเองคือปัญญาเองเห็นธรรมปัญญาจักสูจักสูคือปัญญาตะมันจะจักสูจักสูรอบข้อก็คือดวงปัญญาหมดหมดความลังเลสงสัยมั่นคงถูกที่มันไม่หมดความสงสัยมันก็เพราะมันสงสัยว่าพระพุทธศาสนาไม่เก่งเท่าศาสนาอื่นๆมันก็เกิดสงสัยเท่านั้นถ้าหากว่ามันเนื้ว่าเข้าใจว่าศาสนาอื่นๆแล้ว พองใสของมันก็ไม่มีหนะักถูกไห ม, มถ้ามันเข้าใจว่าที่เพื่อขึ้นของมันกเกษมแล้วนะมันก็พอใจอยู่ที่เพื่อเท่านั้นเนี่ยถ้ามันยังที่อื่นจะดีกว่านี่อยู่มันก็ตกไปถูกไหม <laughs> นั่นถ้ามันเหนียวอยู่อย่างนี้เนะี่ยที่นี่นะ่ะที่เหนียวของเรา เท่าอ่ะ ม, มันว่าเอ อ, อ น, นั่นดีกว่านี้มันก็วางไปเพราะมันสงสัยอ่ะวิจิตช้านะ่ะมันสงสัยมันไม่สงสัยเลยเาะเขาทำพระสงฆแล้วมันก็สบายใจก็จะบัดไงผู้ที่ทํมมาให้ดีก็จะเอามากีดขวางชี้ก็เป็นเรื่องของเขาพูดทำสงมาเนี่ยดีดก็ไม่ได้เป็นไปก็คนคําสอนเขาบุรุษมรรมศ า, าสตาเมื่อเวลาคนทําชั่วก็ไม่ใช่ไปชั่วด้วยถูกมยไหม เราจะไปหาเรื่องใสคนเมือ่อเมื่อคนทําดีนะพุทธศาสานาเราจะไปจะไปหาเรื่องใสคนแเราเราจึงจะยินดีนะพุทธศาสานาเราเข้าใจว่าเราเห็นธรรมมันก็มาเห็นธรรมมดโลกได้ไ่มีใครปฏิบัติเรปฏิบัติคนเดียวไม่มีใครกราบเราก็จะกราบคนเดียวไม่มีใครนึกถึงพุโทโธแล้วก็นึกถึงคนเดียวหมดไตลโลกธาตุนี้เรานึกถึงอย่างนั้นมันก็หมดเรื่องกันเ <laughs> พราะเราเชื่อแล้วพรเราพิจารณาไปทุกคนทุกแห่งแล้ว คำ ส, สอนแต่ละบทละบาดในใจโลกธาตุไม่เท่าค um ำสอนพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนารวบมดแล้วเนี่ยทำให้โรกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความอายต่อบาบความกลัวต่อบาดเทนั้นคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาดไม่มีความกลัวต่อบาดแล้วก้อนไมก้อหมูก็ทักก้อนพวกก็ตั้งมาอยู่อู้ท้องทำไม่นำทำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิเองอาศัยทําความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนะพุทธศาสนากรเอามาหมดแล้วกอดเอามาหมดแล้วนะกรดเอาก้หมายมาหมดแล้วเนี่ยนั่นั่นแหะยอดก้อนไม้่ะยอดกทอนทำนะ กรรมและผลของกองรรมกรรมยอดพุทํามเหมือนกันนักกรรมและคนของตรรมผู้ใดทำดีทําชั่วมันไม่จบกเกษียณเหมือนคดีดาคดีแดงไงลูกคดีดำคดีแดงไงลกค ด, ด, ด, ดีมันคดีเก่ามันจบกเกษียณแล้วคดีหมดอายุกรรมและผลของกรรมไม่หมดอายุส่งต่อจนถึงชาติพระนิพพานนั่นนั่นนั่นน น, น่นทำดีก็ส่งต่อชาติพระนิพพานทําชั่วก็ตามไปถึงพระนิพพาน แต่ส่วนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีมันก็ไปดวกกันอยู่นพระนิพพานส่วนพระโมคคลาเข้าไปฆ่าท่านมันบอกว่าไปฆ่าถือถูกกังเกงท่านกังเกงของท่านขาดแล้วท่านทิ้งแล้วนะแต่ตัวของท่านไม่ถูกสักท่านปพราะจิตของท่านพ้นจากกิเลสแล้วะแต่พวกที่ยังไม่มีพวกที่มีกิเลสอยู่มันตามไปถึงมันก็ได้ทางหนังทางเขาด้วยนะต้องลองว่าแต่เวลาอ่าฉันนุ้งอันนายจุนทกามันวุ่นแล้ว ก็ทักเชฟเนจรเป็นมกุชิน า, าราก็ลงพระโลหิตคำว่าลงพระโลหิตก็คือไอเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเพราะกรรมบุพกรรมขององค์ท่านที่เคยวางยาเขาผิดคนไข้ตายาไม่มีเจตนาแต่มันไม่ถึงพระบรมาสาราเพราะพระบรมาสาราพ้นจากขั้นห้าไปแล้วก็ไปตามไปถึงก็ไปถึงจากขั้นห้าท่านท่านพ้อนออกจากขั้นห้าไปแล้วเนี่ก็เป็นเอาหัวใจกรรมแล้ว พาไปพักท SI evet ี่ไหนงปูกลาคืนน네ี่ลุงปู่ะแสดงความสดไหคะไม่กลางคืนมาเภาวนาเอาหมดไม่บอก่อนตอนูกลานมาบไม่ไงขอสัาูก่อนถอเก็บเิมาไปอ่านหนาซก่อนคืนน้ันนี้วันนี้สี่ขั้มวันห้าข่ํามันจะมีมันกูไมหรอกแสดงบทเอๆได้ อขาก็เป็นใจวัดของถือใช่มตองือวี่แต่ของถือ่องือ่ชวงไ้ฟัได้ฟังรรมาณนี้ล่ด้วบาวล้คิดสิบ้าในยุคนั้นก็คงจะเป็นที่ตุอาจารย์ได้สั่งสอนอะไรได้มากอืมมากอฟังในช่วงน้มใชู่งมีในนี่หมดน่มีในนี่หมดแมีในนีหมดแน่ มีในนีว่ว่าได้อดี๋ยอ่านคำนำด้วยมีในนี่ว่าแร้เอ้า